อาจารย์ครั บ, บก่อนนมัสการครับผมคุณบอลคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการของโอกาสถามพระอาจารย์ว่าเช้าใส่บาตคนเยอะไหมครับอาจารย์สี่ร้อยห้าสิบสามคนเยอะหน่อยเยอะกว่าปกติอะครับอาจารย์ครับธรรมดาเปนสี่ร้อยสิบเซนใี่มีสี่ร้อยห้าสิบกว่า เมื่อเช้ามีเพื่อนผมไปคนนึงพระอาจารย์ได้คุตอุ๋ยเจอไหมครับอาจารย์อ๋อที่จัดรายการ y o u ูทูบใช่ไหมใช่ครับ เ, เห็นก็บอกอยากจะทํารายการด้วยแต่ตอนนี้ไมค่อมีเวลาเพราะถ้าจะจัดสดแบบนี้ก็ได้อยู่ถ้าจัดสดแบบคุณหมออจาจจะแบ่งให้ตะคืนนึงครับเดี๋ยวผมคุยกับอุ๋ยบูดาเบสเขาเขาเป็นนักร้องดังนะครับรอาจารย์เขาชื่ออุ๋ยบูดาเบสครับอือนนี้เข้ามากับ ญาติโยมที่เป็นเพื่อนกับอาตมาพอดี oh. จากทั้งครับผมก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันเพราะเป็นช่วงมินทบาตครับอนบอกว่าถ้าจะจัดก็ต้องจัดแบบนี้ถ้าจะนิมนต์ไปพู้ที่ไหนมัคนคงยังไม่สะดวกแต่ถ้าจัดแบบออนไลน์ก็พอที่จะหาเวลาได้ครับผมครับแล้วตอนป่ายคนเยอะไหมครับอาจารย์ครับก็นะ้อยแปดสิบนั่นแหละ คนมาฟังที่รวมทัง้งหมดก็เก้าร้อยกว่าทั้งทางบ้านด้วยก็ทําที่มาที่หนา้ากุฏิครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งชื่อเรื่องการเดินทางของดวงวิญญาณกับผมเห็นอะไรแบบที่คนเขาทํากันไม่ดีเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาไม่คิดถึงอนาคตเลยอยากได้ลาบอยากได้ยศกันก็ทําวิธีผิดๆนะครับอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่า คนคงไปหนีกันเยอะแล้วผมก็อยากจะอาไว้เตือนตัวเองด้วยครับอาจารย์วันนี้เลยขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องนี้ครับผมคนที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเขาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่เรียกว่าธรรมะมียา ว, วิชาครอบงำคความไม่รู้ความจริงว่าตัวเขาคือใครเขาคิดว่าเขาเป็นร่างกายแล้วเขาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ร่างกาย ไปถ้าร่างกายตายไปมันก็จบเห็นไหมว่าเขาจะทําบุญกอทําบาปเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะไปรับผลบุญผลบาปจากการกระทํ า, าทบุญหรือบาปของเขาอย่างมากก็เห็นผลในปัจจุบันทําบุญก็อาจจะมีคนสนับสนุนย่อกยอ่อกสนับสนุนบางทีก็ไม่มีก็ได้ทําบาปก็อาจจะติดทุกติดตารางหรือไม่ติดทุกติดตารางก็ได้มันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยเกรงกลัวหรือไม่ค่อย มีความสนใจกับเรื่องบุญเรื่องบาปเท่าไหร่อีนี้ก็สนใจก็คือท่านนี้เขามีความสุขในปัจจุบันนี้ในขณะที่ร่างกายเขายังทําอะไรได้อยู่เขาก็พย า, ายามเสวนาสลายปาบํายสมรสเสริญสุขเพราะนี่คือเป็นวิธีหาความสุขของเขาอขาไม่รู้ว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะเสื่อมละหมดไปแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เป็วลาเสื่อมลาภนี่ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเวลาไม่มีงานไม่ทองเวลาหดยศหมดตำแหน่งก็เสียใจเวลาไม่มีการสรรเสริญ ม, มีแต่คนก่อร้าก็ไม่มีความสุขเวลาไม่มีสามารถไปเที่ยวไปหาความสุขจรวบเสียงกิจวันได้ก็อยู่อย่างเร้าสร้อยหัวเงาอันนี้มันเป็นความสุขที่ที่มีเจริญนล้วมีเสริมตามมา แต่เขาก็ไม่รู้จักวิธีอย่างอื่นเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาไม่ได้ยินได้ํางธรรมะความจริงนั้นเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขตามน้าของความหลงความอยากของเราที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ความจริงมันเป็นความสุขปลอนในความสุขที่ มีความทุกขคอยคอยตามมาอยู่เรื่อยๆเวลาที่สูญเสียความสุขไปเวลาสูญเสียราภเยอ ส, สัมภเวสีไปแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอะไระเข า, าคิดว่านี่คือวิถีชีวิตของเขาเขาไม่รู้ว่าตัวเขานี่ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นจิตใจที่เวลาร่างกายไม่มีก็จะเป็นดวงวิญญาณ มีดวงวิญญาณที่สร้างไปรับผลบุญผลบาปผลที่เกิดจากการกระทํะของเขาในขณะที่เขาไม่ชีวิตอยู่อย่างที่คุณหมอตั้งหัวข้อว่าหลังจากตายไปแล้วดวงวิญญาณจะไปไหนดวงวิญญาณก็มีทางเลือกอยู่สามทางเหมือนกันถ้าทําบาปก็ไปทุกขติหรืไปอบายไปเป็นเปรตเป็นปนรกกายไปนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์ในราชา ถ้าดำบุเข้าไปสวรรค์เป็นเทพสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าสามารถปฏิบัติทกรรมจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ก็ไปนิพพานถ้าไปนิพพานก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าไปสวรรค์หรือไปอนรกเนี่ยยังกลับมาเกิดอยู่หลังจากที่ใช้ผลบุญ ไปรับผลบุญแล้วบุญหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปติดคุกติดตารางในอาณากในอบายพร้อมบาปที่ส่งไปหมดกําลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปเป็นใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธ ศ, ศาสนามาสอนเบอกเราก็จะไม่รู้ทางเลือกสามทางนี้ เราคิดว่า ม, มีทางเดียวก็คือตายแล้วจบตายแล้วสูญเพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ชีวิตอยู่เราต้องพยายามตักตวงความสุขให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้นี่เปนที่มาของการไม่มีเอเรโอตปะไม่มีความอ า, ายไม่มีความกลัวบาปเพราะตัณหาความอย่างมันมันมีอานาจที่จะทําให้ไม่สนใจกับเรื่องศีลธรรมไม่สนใจกับเรื่องเอเรโอตาปะ ขอให้มีความสุขสมัยนี้ใช้ทําอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินนะตอนนี้พอมาอยู่จุดนี้เราเห็นอะไรเยอะเยอะเลยครับรอาจารย์ก็เลยต้องต้องเตือนตัวเองไว้บ้างครับผมจะได้ไม่หลงไปเข่าครับอืก็ดีอย่างนั้นแล้วก็มีธรรมะ ม, มีภูมิคุ้มกันเหมือนได้ฉีดวัคซีนเลยนะรู้แล้วว่าลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี่มันเป็นของชั่วข่าวไม่เที่ยงแท้นแน่นอน มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้สังเกตดูเลยคนในโลกนี้ทุกวันเนี่ยมีคนที่เจริญน่าเสือ่อมในราบจะเสื่มเสริมสูงอยู่แท้ทุกวันถ้าเราสังเกตอยู่ดีๆผมโอกาสดีครับได้พาอาจารย์คุยทุกทิตรครับครับคงคงไม่เบื่อนะเพราะพื่อนเราซ้ําๆอยู่เพื่อนเรตายนักพนิจจังทุกครังหน้าตา ไม่เบื่อเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับพอบคุณอาจารย์ครับผมมีเพื่อนๆถามบอกว่าคนที่ตายแล้วดวงวิญญาณจะอยู่กับเราอีกกี่วันครับไม่อยู่แล้วพอเราเราหายใจก็มันู้จะอยู่เหรอทำไมร่างกายไม่มีประโยชน์สําหรับดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณก็ถูกอำนาจของบุญของบาปดึงไปหรืออํานาจของธรรมถ้าเป็นธรรมเป็นทานก็ดึงไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีก ถ้านาจของมุนหนึ่งไปก็ไปสวรรค์ถ้ า, ES, า ES, вый, นาจของบาปหนึ่งไปก็ไปอบายไปทันทีมันไม่ได้มาต้องมารอให้พระมาเชิญดวงวิญญาณนี่อย่างที่เขาทำเมื่สมัยนี้คนตายนอกบ้านนี่ต้องเชิญดวงวิญญาณไปบ้านแล้วไปวัดเนี่ยไม่ต้องเชิญอ่ะมันเชิญไม่ได้เชิญอะไรทูบเทียนสามดอกแล้วก็ได้สายสิ้นีแล้วก็คนห่มผ้าเนี่ยมันเชิญไม่ได้หรอก คนที่จะเชิญดวงวิญญาณคือบุญด้วอบาปด้ธรรมะคุณพชรวัตรครับทุกครั้งที่ได้รับฟังหลวงพ่อเทศนะนำมาปฏิบัติจะเข้าได้เร็วไม่ต้องอ้อมเลยลูกขอปัญญาว่าเป็นเช่นนี้บ่อยๆเพราะลูกมีสติใช่ไหมครับโดยหลักใหญ่แล้วก็คืออยู่ที่สติการปฏิบัติการที่จะทำให้ใจให้สงบเน้นได้นี่ขึ้น อ, อยู่กับสติว่ามีมากมีน้อย ถ้ามีมากก็สติก็สงบได้เรได้ง่ายแล้วอยู่ได้นานถ้ามีาน้อยก็สงบได้ยากสงบสงบมไม่ได้นานองั้นพยายามฝึกสติอยู่เรื่อพระเจ้าทรงสอนให้จงรักสติทั้งวันทัน้งคืนยกเว้นเวลาหลับสงแต่รักสติเป็นจําเป็นทุกกรณีสติเป็นธรรมที่จําเป็นทุกกรณีเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเพียบ เป็นนรอยเท่าชา้างเป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าธรรม ท, ท่านื่นทั้งหมดถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นมาได้ยามปัญญาที่จะไปลบกับกิเลสก็ไม่มีกําลังที่จะซู้กิเลสได้วิมุตติก็ไม่เกิดขึ้นมาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องพยายามฝึกสติให้มากแล้วก็ง่ายเหลือเกินการฝึกสติไม่ได้เหมือนเราไปปีนภูเขาคนบางคนกับยอม ทุกยากลำบากเป็นพวกเขาอเวอเรสต์เนี่ได้มีชื่อเสียงว่าเราเป็นคนที่ปีนไปนอนทงทุดต้องทุกขทรมานเสียงภัยขนาดไหนต้องเสียเงินเสียทองขนาดไหนอเราได้ประโยชน์ก็ไม่มีอะไรึแต่ขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็รอบลงมาได้เลยแต่สติพุทโธพุทโธคําเดียวเนี่ยสามารถกําจัดความทุกข์ความกังวลความห่วงใยความมีตกกังวลหวาดกลัวอะไรต่างๆได้ถ้าเราฝึก เราใช้มันให้เป็นนะเนยอันนี้มันไม่ไม่ฝึกใช้มันไม่เป็นพอถึงเวลาก็ลืมไม่ได้คิดถึงพุโทโธอยากจะนั่งสมาธิให้ใจนิ่งครับแต่ใจวกแวกตลอดเลยครับก็นี่แหละฝึกสติไปเรื่อยๆเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเพราะเราไม่ต้องใช้ความคิดตอนที่ช่วงเราเพิ่งตื่นขึ้นมาใหม่ ก่อนที่เราไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าล้าหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อ แ, แต่งตัวรับประทานอาหารก่อนที่จะออกไปทําธุระนี้เรามีเวลาเจริญสติได้อย่างต่อยังได้อย่างต่อเนื่องเลยให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเท่าที่ยําเป็นก็จะต้องคิดคิดให้น้อยที่สุดคุณดําครับ คนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเมื่อตายไปแล้วศูนย์หรือต้องไปเวียนตายเกิดเหมือนศาสนาพุทธครับเ อ, อไม่ได้อยู่ที่นับถือไม่ได้นับถือมันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำไว้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามอันนี้เป็นกฎสากุลกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎสากลไม่ได้จําเพาะว่าต้องเป็นชาวพุทธนมท่าอยู่ภายใต้กฎนี้ดวงวิญตาณทุกดวงวิญญาณ อ, อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งหมด เราจะอยู่กับคนที่ชอบว่าคนอื่นได้อย่างไรดีครับถ้าปล่อยเขาว่าไปนั้นอย่าไม่อยากให้เขาไม่ว่าอารมณ์ของเราคือเราไม่อยากให้เขาว่ามันก็เลยทุกข์นะถ้าปล่อยให้เขาว่าได้แล้วก็ไม่ทุกขนะ์อัญเชลีครับข้อที่หนึ่งครับถ้าคนตายได้อยู่ในสุขติภูมิอาจจะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง ถ้าเราทําบุญไปให้จะทําให้คนตายได้อยู่สุขตินานขึ้นหรือไม่ครับจากบุญที่เราอุทิศให้ครับไม่หรอกเพราะบุญที่เราอุทิศนี่มันมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุญที่เขามีอยู่บันที่ส่งไปอยู่สวรรค์ น, นี่มันเป็นเหมือนเงินล้านเงินที่เราส่งไปนี่มันเงินนสิบอันนี้เหมาะกับขอทานมากกว่าเหมากับโยม ญ, ญาตที่ไม่มีบุญเลยคนที่ไม่ทําบุญเลยทําแต่บาปที่เรียกว่าเปรตเนี่ยพวกนี้แม้แต่สิบบาทก็โอเค ก็ดีก็ไม่มีที่เราทำบุญอุทิศไปนี่ก็เหมือนกับส่งเงินสิบบาทไปให้กับดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นขอทานแตน่ถ้าส่งมาให้เทพททเทควะเทพขวบฉันมีเงินน้าเนี่ยส่งมาสิบาทมันมีประโยชน์อะไรแต่เขาก็อาจจะอนุโมทนาถ้าเขาทราบว่ า, า, อาอยัางเป็นห่วงเราอุตส่าห์ส่งเงินมาให้น้องสิบบาทข้อที่สองครับคนที่ตายไปแล้วสามารถทำบุญต่อในโลกทิพย์ได้ไหมครับ ได้ถ้าถ้ามีธรรมะพาไปเช่นเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอนาคามีนี่ท่านทําบุญต่อได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญปัญญาได้หรือถ้ามีหึือถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่มีมีพระอรหันต์ไปสั่งสอนแล้วสนใจที่จะไปฟังเทศน์ฟังธรมาารมจากพระอรหันต์จากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ เทวราชทรงแ ส, สดงธรรมะให้กับเทวดาทุกคืนนะสอนเทวดาสานพุทธมารดาอยู่สามเดือนจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีธรรมะที่สามารถที่จะพาไปสู่พร ะ, พระนิพพานได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาฟังธรรมต่อไปก็ได้เพียงแต่ปฏิบัติกำจัด ก, กิเลสที่มยังหลงเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปข้อที่สามครับ คนที่ตายไปแล้วสามารถกลับมาเยี่ยมคนบนโลกมนุษย์ได้ไหมลูกชายเคยบอกว่าพ่อมาหาหลังจากที่แฟนเสียไปครับก็คนที่มีอภพินยาเมื่อมีพลังจิตนี้บางคนนะก็สามารถติดต่อกับคนที่มีพลังจิตที่มีชีวิตอยู่ได้เช่นในประวัติของหลวงปู่มัน่นนวันที่ท่านน้ว ง, งตามหาบุตท่านเล่าให้ฟังว่าวันที่หลวงตามหาบุตรวันที่หลวงตาหลวงปู่มั่นเสียชีวิตนะั้นพยายามเดือ กนณีลูกศิษย์ของหลว ง, งปูม่มานนี่คือแม่ชีแก้วนี้ก็มีพลังจิตเวลาจะเข้าสมาธินี่เธอมักจะติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้คือนั้นพอหลวงปูม่ม่นท่านเสียหลวงปู่ม่านก็มาเข้าในจิตของแม่ชีแก้วบอกว่าเธอไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วนะเพราะแม่ชีกะจะไปเยี่ยมท่านในวันสองวัน อ, อไปถ้าไปหาก็เจอแต่ซากซากร่างกายของเราท่านเองแต่เราเราจะเราทิ้งร่างกายนี้ไปแล้ว คุณน่าชี้แจงรูปความตายของหลปู่มั่นก่อนคนที่อยู่ในในหมู่บ้านเดียวกันคนที่รู้ข่าวของหลปู่มั่นต้องรอตอนสายประมาณ 8-9 โมงมีคนมาจากอำเภอมาส่งข่าวบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านได้มรณะภาพไปแล้วไปอ่านได้รู้สึกอยู่ในปฏิปทาพระทุนงคกรรมถานต้องมีพลังจิตทั้งคู่คนที่มาก็ต้องมีพลังจิตคนที่รับก็ต้องมีพลังจิต เห็นแมวจรป่วยพาไปหาหมอแต่ค่ารักษาแพงหนูยอมจ่ายทั้งที่เงินกินข้าวแทบไม่เหลือแบบนี้ได้กุศลไหมครับได้มากยิ่งเสียสละมากเท่าไหร่ในในในความสุขใจมากสังเกตดูใจเราเสียใจเราจะฟูใจเรารู้สึกมีความสุขบางทีไม่หิวข้าวไม่หิวอะไรถึงแม้จะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแต่ยอมเสียสละเอาเงินก้อนนั้นไปให้กับการรักษาฟู คุณเจฟครับถ้ากลัวอันนี้จังควรทําอย่างไรครับในเบื้องต้นก็หยุดมันก่อนถ้าเราคิดถึงความตายแล้วทําให้เรากลัวเราก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันแสดงว่าจิตเรายังไม่มีกําลังที่จะอยู่เฉยๆได้เวลารับรู้กับเหตุการณ์อั่านี้ก็ใช้สติบรญกรรมพุโทโธพุธโทโธให้หยุดความกลัวไปก่อนจนกว่าจิตเราจะมีพลังมีอุเบกขาพอที่จะรับรับรู้ความจริงได้ว่า นั่นกายมันของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราถึงค่อยคิดถึงมันถ้ายังไม่ถ้าคิดได้ยังใจยังหดหูอยู่ก็ยังไม่พร้อมที่จะไปเจริญปัญญาไปเจริญอนิจจ์ต้องฝึกเซตินั่งสมาี่ให้ใจมีความสงบมีลมเบิกขาก่อนแล้วถ้ามีลมเบิกขาแล้วพอคิดถึงความตายก็จะรู้สึกเฉยๆจริงหรือเปล่าครับที่คนตายแล้วเกิดทันทีครับ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่นุ่นนะไม่จริงนะเพราะว่าต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเลยนอกจากว่าไม่มีบุญไม่มีบาปที่จะได้ไปสวรรค์หรือไป อ, ไอาภัยอันนั้นก็จะต้องมาร อ, อรับร่างกายอันใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าคิวยาวหรือไม่ว่ามีใครรอรับกันกี่คนจากหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับผมจะถามว่าศีลห้าตายแล้วเราไม่จําเป็นต้องศีลแปดไปดีได้ไหมครับ ได้ถ้าไม่ทํำบาป ก, ก็ไปดีนะไม่รักษาชินท่าก็ทําให้เราผิดประตูอบายนะแต่ยังไปดีไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปได้อย่างมากก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษารักษาเพียงแต่ชินท่าอย่างเดียวแต่ไม่ทมําบุญทําทานเลยเราก็จะไม่ไม่ไปสวรรค์ไม่ได้ะเราจะไม่ไปอบายพอตายไปเราก็จะมารอคิวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าเราทําบุญทําทานด้วยรักษาชินท่าด้วยะ เราตายไปโยมวิญญาณเราจะไปสวรรค์ก่อนไปรับผลบุญก่อนถ้าพอบุญที่เราทําหมดลงเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปจําเป็นต้องทําบุญร้อยวันให้คนตายไหมครับถ้าอยากจะทํำก็ทําทได้จะร้อยวันห้าสิบวันสิบวันสามวันกี่วันก็ได้ทําได้ทั้งนั้นถ้าเราอยากเรารับคนตายเป็นห่วงคนตายเพราะว่าเขาจะตกทุกข์ยากลำบากเพราะเขาไม่มีบุญ เราก็ส่งบุญไปให้เขามันส่งเงินไปให้คนที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้นเองส่งไปวันไหนก็ได้กี่วันก็ได้ส่งไปทุกวันก็ได้ทำบุญทุกวันก็ได้มางคนก็ใส่บาตรทุกวันแล้วก็อุทิศบุญให้กับปู่ย่าตายายเขาอย่างชาวบ้านที่เราไปเป็นธรรมบั ท, ทั้งวันนี้พอทําพอาใส่บาตรใส่ ข, าขนนะ้าวขวดน้ำเหมือนกันทีก็ถูกสอนมาให้ทําอย่างนั้นคนต่างจังหวัดถ้ามีวัดใกล้บ้านนี่เขาจะเจะสอนให้ใหส่บาตรพระ ก็อุิศบุญให้กับเมดามารนาปุย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นบุญเฉลีวให้เขาเมื่อเขาตายไปเขานีก็จะได้ไปสวรรค์ด้วยคุณสุกัญญาครับจิตคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคือจิตและใช้สมาธิควบคุมจิตเราทําได้อย่างไรครับจึงมันเป็นธาตุหนึเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดที่มาครอบ คอบคองร่างกายแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้ที่สั่งให้ร่างกายพูดหรือทาอะไรต่างๆนี้คือธาตุรู้ก็คือจิตสั่งด้วยการด้วยความคิดเช่นอยากจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนอยากจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนพอสั่งพอคิดแล้วมันก็จะมาทางกายทางวาจาถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของเรา จากจิต ท, ที่ร้อนที่วุ่นวายกลายเป็นจิต ท, ที่นิ่งที่เย็นที่สงบเหมือนได้ติดเครื่องปรับอากาศในห้องที่ร้อนอันนี้เราจะรู้เราจะเห็นได้สัมผัสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจว่าเอาจิตใจของเราเมื่อก่อนที่ยืนนั่งสมาธิมันร้อมร้อนมันเครียดวิตกกามวลว่าวุ่นขุ่นวมพอเราฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้ความว่ า, วาวุ่นขุ่นโมความทุกข์ร้อบบ น, น่างหายไปหมด เราแต่ความเงี่งสงบเย็นสบายอันนี้แหละคือตัวจิตไม่ค่อยได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้ทำบาปตายแล้วจะไปไหนครับก็อย่างว่าถ้าบุญก็ไม่มีหนึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปบาปก็ดึงไปสอบอายไม่ได้ก็มารอจังมารอเข้าคิวเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป การที่เราโกรธคนอื่นบ่นด่าเขาในใจแต่เลือกที่จะนิ่งและยิ้มให้เขาแทนมันคือการเสียแซงหรือเป็นการที่เราเอาชนะความโกรธได้ครับเขาต้องถามตัวเองใช่ถ้ายังโกรธก็อยู่ว่าถ้ายังโกรธอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ชนะความโกรธล้วก็เป็นเแต่คมค่มความโกรธไว้เพราะเรามีมีความคิดว่าการการแสดงความโกรธนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทแล้วก็ กดมันไว้ข่มมันไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าบางครั้งถ้าความโกรธมันนานก็อาจจะไม่สามารถข่มมันได้คนที่ตายเพราะกรรมตัดรอนเขาจะได้ไปเกิดง่ายไหมครับ <c oughs> คือง่ายยากมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าบุญกับบาปที่ทําเนี้มีมากไม่น้อยถ้าบาปมากก็ก็ต้องไปรับผลบาป ก, ก่อนเป็นเวลาอันยาวนาน ถาบุญมากก็ไปอยู่สวรรค์เป็นเวลายาวนานก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอยู่ที่บุญที่บาปเราทําำมันมีมากมีน้อยถ้าเป็นคนจริงใจแต่ทําให้ไม่สงบใจคนทํายังไงดีครับมันไม่เกี่ยวกันนะจะเป็นคนจริงใจหรือไม่จริงใจมันไม่เกี่ยวกับการทําให้ใจสงบการจะทำให้ใจสงบนี้ขนะึ้นอยู่กับสติ สตินี้เป็นเหมือนเบรกของใจถ้าไม่มีเบรกก็เหมือนรถยนต์ถ้าที่นั่นมีเบรกก็ไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้เวลาต้องการที่จะหยุดฉะนด้นเวลาที่เราต้องการทําใจให้สงบนี้เราต้องมีสติไม่ได้นั่งสมาธินานพอมาเริ่มตอนฟังธรรมนั่งสมาธิเผลอหลับแก้ไขอย่างไรครับก็นำกลับไปจเจริญสติใหม่ พรุนี้ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเนี่ยเอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะมีสติมันก็จะไม่หลับหนูเลี้ยงพ่อแม่ครับแต่บางครั้งพ่อแม่ก็เหมือนไม่ฟังลูกเช่นการเจ็บป่วยลูกแนะนําเหมือนจะไม่ฟังพอลูกเสียงดังเพราะอยากให้แข็งแรงก็โกรธเอาแต่ใจหนูบาปไหมที่เสียงดังใส่พ่อแม่เพราะท่านไม่ฟังครับอยากให้ท่านสุขภาพดี ความอยากของเราแต่มันไม่ไม่เหมาะสมกับการแสดงของเราเราต้องแสดงความรักความเคารพพ่อแม่เสมอไม่ได้พูดเหมือนกันเราเป็นพ่อแม่ของท่านเราไปสั่งท่านไปว่าท่านบอกท่านนี้ไม่ควรควรจะพูดกับท่านดีๆคุณพ่อคะคุณพ่อท่านเหมือนอย่างนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างนี้อยไปสั่งต้องถามท่านว่าคุณพ่อกินข้าวไหมคุณพ่ออยากจะไปเดือนที่ไหนหรือเปล่าอยากจะทําอะไรหรือเปล่า เราต้องอยู่ในสภาพของคนรับใช้ถึงจะถูกต้องอย่าไปเป็นเจ้านายของพ่อของแม่บางคนเราลืมไปว่าเราเป็นลูกแต่ความปรารถนาดีอยากให้ท่านดีก็เลยกลายเป็นเจ้านายของพ่อแม่ไปโดยไม่รู้สึกตัวพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เป็นตัวเท่ากับปั้นมันก็ทําให้ท่านรู้สึกเสียใจที่ให้ลูกตัวเท่ากับปั้นอย่างนี้มันมาทําตัวเป็นเหมือนพ่อแม่เรา ถ้าเราบอกบุญแล้วข้อมูลไม่อัปเดตเช่นบุญกองที่เราบอกไปเต็มแล้วคนที่เราบอกไปต้องการทําบุญนั้นใส่เงินเข้ามาอย่างนี้เป็นยังไงไหมครับอ่ถ้าถ้าเขาส่งมาแล้วเราส่งต่อไปถ้าเราไปทํำบุญก็ไม่เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บไว้ในกระเป๋าเราไม่ทําบุญได้กับเขา ม, มันก็มันก็เป็นการยากัยกอยอกเงินของเขาไปเราควรต้องเรียนนักทํามไหมครับ คือนักธรรมนี้มันเป็นเป็นเหมือนแกวหลักสูตรที่ทางทางศาสนาเขาจัดขึ้นมาซึ่งในสมัยพุทธกาลไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักนักธรรมการฟังธรรมก็ฟังจากครูบาอาจารย์เลยตรงเลยอย่างสายปฏิบัตินี้ท่านก็เรียนแบบฟังจากครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมรือถามตอบคําถามอย่างนี้ก็เพียงพอเพราะสิ่งเราต้องการรู้เพียงแต่ว่าวิธีปฏิบัติทานเป็นยังไงวิธีปฏิบัติศีลเป็นยังไง มีปฏิบัติภาวนาเป็นยังไงแค่นี้ก็พอลนะแต่ถ้าเราไปเรียนหนักทำก็จะเอาทำต่างๆมาสอนหลวดเลยศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่บเจ็ดทำบุญแบบไหนทําบุญเพื่ออะไรทําบุญสังฆทานทําบุญมันจะเยอะแยะไปหมดเลยเรียนไปแล้วก็ปวดหัวนั่นอย่าไปสนใจมากเกินไปให้มันรู้ว่าวิธีทําบุญทาทานแบบง่ายๆที่เราทําได้ทันทีทำอย่างไร รักษาศีลได้ทันทีรักษาอย่างไรภานาได้ทันทีทำอย่างไรแล้วก็เอาไปปฏิบัติเลยดีกว่าทุกครั้งก่อนการนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนไหมครับไม่จาเป็นถ้าเราถ้าเราต้องการนั่งเลยก็นั่งได้ก็นั่งได้เลยการที่เขาเดินจงกรมกันบางทีเพราะว่า ม, มีมีหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งมาจจะนั่งมานานแล้วแล้วก็ อาการนั่งกายก า, การปวดเมื่อยจากการนั่งนานๆก็ลดเข้นมาเดินโยกกลมหว่านั่งแล้วมันหลับก็ลดลดเขึ้นมาเดินโยกกลมเพราะเวลาเดินมันจะไม่หลับอย่างนี้เป็นต้น อ, อย่างถ้าเราสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ต้องเดินจยกกลมแล้วไม่ต้องเดินก็ได้การทานยาจิตตเวชทําให้ขวางทางมรรคผลสำหรับผู้ทานไหมครับ ไม่เกี่ยวกันจิตเวชมันยาก็เกี่ยวกับรักษาร่างกายเหมือนกับยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดศีรษะอันนี้ก็เป็นเหมือนยาแบบเดียวกันรักษาที่ร่างกายแล้วการรักษาร่างกาย้าาาาาย็อาจจะทําให้ใจที่เครียดอาจจะหายหเครียดชั่วข่าวก็ได้เพราะยาอาจจะไปกดประสานบาส่วนมันทำให้ไม่สามารถส่งให้ใจเกิดความเครียดได้แต่ของชั่วข่าว วิธีที่จะแก้ความเครียดของใจความไม่สมบาของใจต้องใช้ธรรมโอรสใช้ยาธรรมก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิตอนทำอาหารใส่บาตถ้าชิมบาตรไม่ครับไม่บาตรเนะแต่ก็อย่าเอาช้อนนั้นเดียวกันชิมแล้วก็ไปตักอีกเพราะว่ามันจะทำให้อันจะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้เพราะอาหารที่เราเข้าไปในปากเรา ถงน้ำลายของเราผสมแล้วเรามาตัดใหม่ครั้งหนึง่งน้ำลายมันก็อาจจะไปติดอยู่ในอาหารที่เราจะไปให้คนอื่นต่อไปก็เป็นการแพร่เชื้อท่านจะชิมก็ต้องใช้ช้อนตัดเสร็จก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตักซ้ําอีกทีหรือไม่ว่าตั ก, กมาใส่ภาชนะอีกอันหนึ่งแล้วค่อยชิมเป็นเัื่องศีลกุศลธรรมมากกว่า พระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ทำปิดตุค่าพระเจ้าพิมพิสารเมื่อตายแล้วดวงวิญญาณจะไปเกิดในนรกใช่หรือไม่และจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหรือไม่ครับได้คือต้องไปต้องวันรับผลบาปก่อนเพราะบาปนี้เป็นบาปแรงมากเป็นเรียกว่าบาปที่หนักที่สุดมีอยู่ห้าข้อในการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าหอเลือดแล้วก็ข้อสุดท้ายยื่นโยงให้สงัดความแตกแยก อันนี้ถือว่าเป็นอนันตะระยกรรมคือเป็นเป็นบาปที่หนักที่สุดนต่อให้ทําบุญมามากน้อยเพียงไรก็ตามพอทําบาปเหนนี้บุคต่างๆนี้ทานี้ไม่สามารถที่จะสู้กับบาปที่ทํานี้ได้เลยตายเป็นแล้วก็ต้องไปรับผลบาปต้องก่อนจะบ่นถึงจะค่อยกลัมาเกิดเป็นมนุษย์ไปความรักชายหญิงต้องทําอย่างไรถึงจะยุติดได้โดยไม่ทําให้เราเสียใจครับ หมาถึงว่าถ้าเรากำลังมีคู่อยู่องก็ต้องคุยกันต้องบอกว่าเออเรามีเหตุจําเป็นว่าเราจะต้องแยกทางกับเขาไปก็ถามว่าเขารับได้หรือเปล่าถ้ารับได้มันก็ไม่มีความเสียใจถ้ารับไม่ได้เขาก็ต้องเสียใจก็จะทำไงให้เขาไม่เสียใจว่ า, า จ, จะถามว่าเขาต้องการอะรชดเชยหรือเปล่าถ้าเรามีเงินก้อนใหญ่ให้เขาไปเพื่อเขาจะได้อยู่ได้อย่างสบาย โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสายเราเขาก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่เสียใจก็ได้ยังต้องต้องมีการคุยกันเว่าว่าสองคนที่อยู่ด้วยกันต้องแยกทางกันแต่ถ้าต้องการแยกทางแบบทางจิตใจก็ต้องพิจารณาสุภะของร่างกายว่าร่างกายของแฟนนี้ไม่สวยไม่งามมีมีอวัยวะต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง มีโครงกระดูกมีปอดมีไตมีตับมีดำไส้มีมขางสกปรกต่างๆที่ขับถ่ายออกมาทางร่างกายทางทวารต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วความหนักที่จะอยู่กับเขาก็ามันก็จะหมดไปดิฉันโดนนายหน้าเอาเปรียบไปตั้งราคาขายบ้านเพิ่มเองสี่แสนและนกต่อมาขอค่าคอมมิชชั่นจากดิฉันเป็นเปอร์เซ็นต์น เ, นเพิ่มด้วยน่าจะเอาสองต่อโดยใช้วิธีพูดทีล ก๊อกทีลกัก๊กดิฉันยอมให้เขาเอาเปรียบเล็กน้อยขอเขาเพิ่มหนึ่งแสนเขาเอาไปสามแสนคิดเสียว่าเขาเอาเปรียบคนซื้อสองแสนเอาเปรียบแล้วห้าห0ื่นแต่นีดิฉันแปลกใจมากคือเท่าที่คุยกับนกต่อเขามีความโลภมากๆมีความเห็นแก่ตัวมากๆบอกว่าจะเอาส่วนต่างไปแบ่งกันในทีมดิฉันมั่นใจว่าเขาตั้งใจเอาเปรียบคนขายบ้านจากวิธีการพูดของเขาแบบนี้เขาจะบาปหรือกลายเป็นเปรตไหมครับถ้าเขาชอบโกงมันก็ถ้าเป็นเป็นการชอบโกงหลอกลวงมันก็เป็นบา ถ้าเป็นบาปก็มีโอกาสที่ไปเปลีป่ยนได้เห็นคนที่ขอใส่บาตรแล้วนําเงินใส่ไปในบาตรด้วยได้หรือไม่ได้ครับคือพระไม่นายของพอระสามพระบางสายเนี่ยท่านจะไม่รับเงินกับมือหรือกับภาชนะที่ท่านถืออยู่ถ้าอยากจะให้เงินกับท่านต้องฝากให้กับลูกศิษย์ที่เดินมาบินบาตรกับท่านแต่บางสายนี้ท่านก็รับได้ด้วยตรง ยามยมสามารถเอาใส่บาตรให้ท่านได้งั้ก็ลองถามท่านก่อนก่อนที่จะเอาเงนใส่บาตร่าใส่ได้ไหมคะถ้าท่านบอกว่าฝากกับลูกศิษย์ไว้มันก็ฝากกับลูกศิษย์ไว้ถ้าท่านบอกได้ก็ใส่ไปเพราะในนี้มีพระ ส, สองสายสายหนึ่งไม่ไม่รับด้วยกับไม่ให้รับกับเงินโดยตรงอีกสายหนึ่งก็รับได้ กับผมจเจริญสติภาวนาแล้วรู้สึกว่าอะไรอะไรมันธรรมดาแบบนี้ถูกต้องไหมครับบุญบาปแยกกันชัดเจนแล้วถ้าคนที่กรรมหนักๆแบบนี้ทําบุญจะได้บุญไหมครับถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรมันเป็นธรรมดาจริงกๆก็ต้องดูว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราล้างมันได้ไหมเราจะเห็นู่นเป็นธรรมดาหรือเปล่าเวลนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกเหนื่อยดอนหรือเปล่าเวลาเราจะตายเรากลัหรือปล่าอย่างนี้เป็นต้น ถ้ายังโกยอยู legends, ่ก็ยังถือว่ายังไม่เห็นว่าเป็นธรรมดาเพรงะฉะนั้นบางีการเห็นเรื่องที่มันไม่กระทบใจเราว่าเป็นธรรมดามันเห็นง่ายเช่นเห็นคนเดินไปแล้วหกล้มนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็มันก็ไม่มันก็ไม่มากระทบใจเราเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่ถ้าเป็นของที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเช่นทรัพย์สินเงินทองของเราอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเนี้ยเรามองว่าเป็นธรรมดาได้หรือเปล่า ความจริงถ้าเรามีปัญญาเ้อเห็นว่าเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดา <c oughs> มีมามีไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นในวันใดวันหนึ่งก็จะมีการดับหรือจากเราไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> อย่างเนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาจริงปล่อยวางได้จริงแต่ถ้ามองแต่เรื่องของคนอื่นแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามีปัญญาทะเลาะกันอยากกั น, น่็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่กระทบกับใจเราเลยล้วถ้าเป็นภรรยาเรามีเรื่องกับเราทะเลาะกับเรา เราต้องแยกแยะแยกทางกันเดินเราจะรู้สึกเฉยๆเป็นลูกธรรมดาได้หรือเปล่าอันนี้ต่างหากเราต้องดูหลายดูให้มันราบข้อก่อนแล้วถึงจะมาสรุปได้ว่าเรามีปัญญาจริงหรือไม่ใส่บาททุกวันได้บุญไหมครับได้สิยิ่งทายิ่งทาได้ยิ่งใส่มากก็ยิ่งได้มากมันจะเหมือนเอาเงินเข้าไปฝากไว้ในบัญชีธนาคาร การทำบุญบ้านปีละครั้งกับการใส่บาตรและการถวายพัะตาหารเช้าทุกวันเท่ากับใส่บาตรทุกวันถวายพัะตาหารทุกวันก็ได้บุญทุกวันการทําบุญปีละครั้งเท่ากับว่าได้บุญปีละครั้งหรือเปล่าครับก็ขึอยู่กับทราบเส้นที่เราบ่อยจากไปว่าเท่ากันหรือเปล่าถ้าเราบอยจากทําปีละครั้งแต่เราทําเยอะคูณด้วยสามร้อกสิบห้าเท่าของที่เราทําแต่ละวันมันก็ได้ผลบุญเท่ากันแต่ที่ไม่ได้ก็คือ อาจจะไม่ได้นิสัยในการทําบุญทุกวันถ้าทําบุญทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเมื่อ ถ, ถึงเวลาก็อยากจะทําบุญแต่ของรานี้ยอาจจะอรอเป็นหนึ่งเราให้มีเหตุการณ์ที่จะมาทําให้เราทําบุญนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เกิดเป็นนิสัยยังทําบุญบ่อยๆดีกว่าทําเรื่อยๆ ด, ดีกว่านี่ก็นานๆ ท, ทําทีแฟนจากไปสี่เดือนแล้วทําไมไม่มาเข้าฝันเลยครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเขาฝันอย่างเรานอกจากเราคิดถึงเขาเองแล้วเราฝันไม่ถึงเขาเองมากกว่ากลับขอปัญญาครับญาติมิตรผมบางท่านเสพข่าวด้านลบของศาสนาแล้วเหมารวมว่าศาสนาแย่ทั้งที่ยังมีพระผู้ปฏิบัติดีมีหลักธรรมดีๆอีกมากแต่ไม่พยายามค้นหาเองยังพอมีทางสว่างให้กลุ่มคนเหล่านี้ไหมครับก็เหมือนสุภาเสถียว่าประตูหน้ตัวเดียวอย่าไปโยนประตูตั้งเข่งทิ้งไป ก็ยกัยกตัวที่เน่าออกไปเราได้ขา่าวเรื่องพระที่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปยุ่งกับพระที่ไม่ดีไปแล้วก็ไปหาพระที่ดีมีเยอะแยะไปวันเกิดไปทําบุญบริจาคอวัยวะอานิสงส์จะไปในรูปแบบใดครับไม่ได้บุญเลยเพราะว่าเราไม่ได้ให้อยางจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรายัางไม่ตายเพราะเวลาเราตายไปเราไม่รู้ว่าร่างกายที่เราที่ เราที่นี่จะไปใครจะเอาไปใช้อย่างไรเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้บุญเพราะบุญก็จากการที่เรารับรู้ว่าเราได้เสสละของที่เราละไปแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนั้นแหะคือบุญตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมตา ม, ตามที่อธิษฐานแต่ก็ไม่มีเวลาว่างไปสักทีจจะบาปไหมครับก็ไม่มีสัจจะท่า น, นเขาโอหกตัวเองต่อไปจะทําอะไรก็ยากลำบาก ตั้งใจจะทำอลไรก็อาจจะล้มเหลวไม่สามารถทำให้สำเร็จได้สุนักที่เจ้าของทิ้งเขาเลยมาอยู่หน้าบ้านเราเอาข้าวให้กินได้บุญด้วยไหมครับได้มีนักร้องคนหนึ่งเคยโด่งดังมากเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเพราะเขาร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องแต่เขานับถือศาสนาคริสต์จนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาได้บวชเป็นพระ แต่บวชโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเขาเหตุผลที่บวชวเพราะเขาสนใจในหลักธรรมบางอย่างของศาสนาพุทธอยากเรียนถามว่าการที่บุคคลที่นับถือศาสนาอื่นแล้วเข้ามาบวชโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธสามารถทําได้หรือเปล่าครับเพราะพระอุปชาจะผิดต่อพระวินัยหรือเปล่าครับคือท่านเข้ามาบวชเขาก็ต้องนับถือเขาว่าต้องเชื่อฟังการนับถือก็คือการเชื่อฟังคําสั่งคําสอนอเห็ขาว่าต้องเชื่อฟังก็ มันเขาเชื่อฟังก็ถือว่าเขาเป็นพุทธแล้วดีกว่าคนที่เป็นพุทธแล้วไม่เชื่อฟังไม่ทําตามคําสอนพระเจสอนไม่ให้เดินโซลาก็ยังไม่เดินโซลายู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่พุทธแท้พุทธเทียมพุทธแต่ชื่อแต่ไม่ได้พุทธที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนแต่เมื่อเขาว่าบวชเขาต้องรักษาศีนสองวันยี่เจ็ข้ออันนี้ก็ถือว่าเขาปฏิบัติตามคําสอนถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคําสอนเช่นเขาไปปารออชิกไปร่วมหลับนอนกับ สีกลางนี้เขาก็ถูกกินเขาก็ถูกเขียออกจากศาสนาไปเพราะว่าไม่ไม่เคารพไม่นับถือคําสอนของพระพุทธเจ้านะงั้นถัไดไปถ้ากขายัง อ, อยู่ในสี227ข้ออยู่ก็ถือว่าเขานับถือพระพุทธศาสนานะแล้วจะว่าเขาเขาจะว่าเขาไม่นับถือก็ไม่ได้นะถ้าไม่นับถือก็ต้องไม่ปฏิบัติตามคําสอน หลังสมบูรณ์แล้วกรวดน้ําให้เทวดาท่านจะได้รับไหมครับท่านไม่มารอรัหจอกเทวดาท่านมีมีบุญมากกับบุญที่เราส่งมาให้กับท่านแต่ถ้ทาท่านทราบข่าวท่านก็อาจจะอนุโมทนาในความหวังดีของของเราเรียนถามเพื่อให้เกิดปัญญาลมหายใจสุดท้ายของชีวิตมีคําแนะนําในการเตรียมพร้อมเพื่อให้อยู่ในสุขติภูมิไหมครับ S <S <an> <S ก็พยายามฝึกสติให้มากๆทําใจให้สงบเวลาตายเราก็จะตายอย่างสบายผนจะไปสุกติหรือทุกเตินี้อยู่ที่บุญที่บาปเราทํำสะสมไว้ทุกวันไม่ได้เกิดจากการทําจิตสุดท้ายให้สงบเพียงอย่างเดียวทําจิตจะให้สงบก็คือตายแบบสบายแตวิบากคือบุญแลอบาป ท, ที่เราทําไว้มันก็ยังยามาเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะไปสุกติหรือไปสู่ทุกเกติต่อไป ทำย่างไรถึงจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกต้องรักษาศีลห ร, ร, อรือปฏิบัติตนเช่นไรครับ <c oughs> <c oughs> ก, ากาบต็ต้องปฏิบัติทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาเพื่อชำระจิตใจให่งส า, ารบริสุขกาจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีอยากถามว่าการใส่บาตรต้องกล่าวคําอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ต้องเลยถึงเวลาก็ใส่ไปเลยจบ ซื้อหญ้าให้วัวกินที่ไถามาจากโรงค่าสัตว์ถวายองค์หลวงตามหาบัวที่วัดการจะนท บ, บุรีจะได้บุญไหมครับได้ทำอย่างไรถึงจะมีคุณสมบัติพิเศษเหมือนใบบัวต้องฝึกอย่างไรถึงมีคุณสมบัติแบบใบบัวครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนจิตแคมละเขาความรับชางโกหรงให้หมดไปจากใจคนระับจิตก็จะวางเฉยได้ เวลาเมลามาสัมผัสกั็จะไม่มีความรักช่างโกรธแล้วรู้สึกเฉยๆยื่นภาษีขอคืนภาษีให้พี่แต่รายได้บางส่วนไม่ใช่รายได้ของพี่จริงๆเราเป็นคนยื่นขอคืนให้อย่างนี้เราบาปไหมครับก็อยู่มันก็เราเป็นผู้กระทําล้วขอหกเราเราก็บาปนะไม่ได้พูดตามความเป็นจริงไม่ได้แสดงความจริง ผมทําอานาปานาสติพอจิตสงบไปสักครู่แล้วลมหายใจมืดมันเหมือนจะหายไปมันจะกลัวจุดนี้แล้วไม่กล้าข้ามผ่านครับทําอย่างไรดีครับก็อย่าไปกลั ว, ใ ห, วหให้รู้ว่าลมไม่ตายนลมหายไปก็ให้รู้ว่ามันลมมันละเอียดเราไม่สามารถรับลมมันได้เรามีหน้าที่ดูลมก็ดูที่จุดเดิมถ้าเราดูที่ปลายจมกูกก็ให้อยู่ตรงปลายจมกูกแล้วก็บอกแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ลมไม่มีรลมไม่สามารถสัมผัสรับลมได้ ่อย่าไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปปูแต่งเพราะใจมันจะเข้าสู่ความสงบพอ เ, เราไปเกิดความกลัวขึ้นมามันก็เลยทําให้ใจอยากแทนที่จะสงบก็เลยท้อนออกมาสู่ความอยากมันต้องดูเฉยๆให้ดูเฉยๆไปเวลามีสิ่งใดมากระทบทําให้โกรธจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะตั้งสติอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติไว้ก่อนไงฝึกพุโทโธพุโทโธไว้ก่อน เราฝึกพุโทโธไว้ได้พอเราเกิดความโกรธล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวความโกรธก็จะหายไปเวลาเรานั่งสมาธิชอบฟุ้งคิดไปเรื่อยและพอเราเห็นเราก็บอกว่าฟุ้งหนอคิดหนอเพื่อหยุดถูกไหมครับแล้วมันหยุดได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้ก็ถูกถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่ถูกทางที่ดีก็คือฝึกสติให้มากๆไว้ดีกว่าถ้ามีสติมากพอมันฟุ้งปับ๊บเราก็หยุดมันได้ทันที ให้กรรมเลยกพุโทโธพุโทโธยืนมันได้ทันทีการเกิดบนสวรรค์การเกิดใหม่มีใครเป็นคนบริหารจัดการไหมครับไม่มีนะมันเรื่องของบุญของบาปเป็นผู้บริหารจัดการถ้าเราทําบุญต้องกรวดน้ําทุกครั้งไหมครับโดยเฉพาะสวดนมนั่งสมาธิครับคือการกรวดน้ําก็คือการ อ, อุทิศบุญให้กับพวกที่น่องนัไปแล้ว ถ้าเราต้องการอุทิศบุญเราก็สามารถอุทิศบุญได้โดยที่ไม่ต้องกวนน้ำก็ได้กวนน้าก็ได้การอุทิศบุญนี้ไม่จาเป็นจะต้องใช้น้ำเราสามารถระลึกภายในจิตของเราได้เลยว่าเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วไม่ต้องใช้น้ำกันเลยถ้าเราถูกสอนมาให้ใช้น้ำเราก็ใช้ไปก็ได้แตตัวสำคัญก็คือตัวใจของเรา ว่าต้องเกิดบุญขึ้นต่อเวลาทําบุญเราจะเกิดความสุขใจแล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่นองรับไปแล้วได้ใส่บาตรทุกวันอุทิศบุญให้ลูกทุกวันลูกจะได้รับไหมครับลูกเพิ่งจะเสียไปยังไม่ถึงร้อยวันครับก็อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือไม่ คนเราชาตินี้เป็นพี่ป้านาอาการเมื่อดับไปแล้วเวลามาเกิดใหม่จะมีโอกาสมาเป็นพี่แม่พี่น้องหรือญาติกันอีกหรือไม่ครับก็มีเป็นไปได้แต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่ า, าจังหวะที่ยังมาเกิดพร้อมๆกันอีกครั้งมันก็ไม่ใช่เป็นของที่อยากเกดได้ไง่ายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปรับผลมุนผลบาปงานสักเท่าไหร่ เมื่อคืนตอนก่อนจะนอนอยู่ในลมหายใจแล้วนอนไม่หลับคือเราไปยึดไปเพ่งในลมหายใจมาใช่ไหมครับคิดว่าส่วนใหญ่เป็นเราไปคิดมากกว่าอยากคิดถ้าดูนมหายใจเฉยๆนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหลับได้ให้รู้เฉยๆแต่ถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องไปเกิดความอยากที่จะหลับเนี่ยมันตัวความอยากจะหลับเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เรานอนไม่หลับมันอย่าไปอยากให้หลับนะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นดูลมไปเฉยๆ จะหลับแล้วไม่หลับก็เราไม่ต้สนใจถ้าตัณยาอยากจะให้หลับมันจะทําให้ใจเครียดเมื่อไม่เครียดมันจะทําให้หลับยากอันนี้คําถามจากอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับอาจารย์ครับจะเชื่อได้อย่างไรว่าตายแล้วไม่สูญการสอนให้เชื่อว่าตายแล้วยังมีวิ ญ, ญญาณที่จะไปเกิดหรือมีภพภูมิอื่นครับอ๋อก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาเจริงสตินั่งสมาธิ เมื่อจิตเราสงบเราจะเรียนเห็นว่าจิตกับร่างกายแยากออกจากกันแล้วก็จะรู้ว่าเอาน่างกายนี้เป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่าใจนี่นหะที่จะไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนั่งสมาธินานร่างกายจะสั่นๆไปเขยา่าเขย่าไปเองเป็นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสติ ถ้มีสตินะร่างกายก็จะนิ่งเฉยๆเพราะใจจะถูกควบคุมไม่ให้มันส่งความสั่นไปสู่ที่ร่างกายบุคคลที่ได้โสดาบันแล้วสามารถชะลอการปฏิบัติก่อนและอธิษฐานให้เกิดรอข้างบนเพื่อเกือ้อกูลเพื่อผู้มีพระคุณหรือคนที่เรารักจนกว่าเขาเ่านั้นได้โสดาบันแล้วเราค่อยปฏิบัติต่อนจนนิพพานแบบนี้ได้หรือไม่ครับและที่ถูกต้องควรทําแบบไหนครับ ก็แล้วแต่คนบางคนมีพัทธากรณีมากน้อยต่างกันอย่างพระอนุยก็ท่านก็บรรลุเป็นพระสาวดามนแล้วท่านก็ได้รับมอบหมายให้ไปรับใช้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยไม่ได้ไปปฏิบัติทางต่อใช้เวลารับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีได้กันพอพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอนุย ก, ก็ตกงานว่างจากภารกิจการงานดูแลพระพุทธเจ้าก็เลยไปปฏิบัติอยู่สามเดือนก็บรรลุเป็นพระอรหานได้ นี่แล้แต่คนถ้าคนบางคนไม่มีพันทะกรมีอะไรพอบรรลุโสดาได้ก็ปฏิบัติต่อไปก็ก็มนุษย์ขั้นต่อไปได้อย่างงดรามบางทีภายในวันสองวันนี่อาจจะมนุษย์ได้หมดเลยทั้งสี่ขั้นหนึ่งก็ได้ก็ยู่กับความฉลาดของปัญญาของแต่ละคนไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักกับคนที่เราเคยรัก อ, อารมณ์เฉยเฉยไม่ยุ่งอย่างนี้ถือว่าหายโกรธไหมครับ ไม่โกรธก็หายโกรธเลยก็จะว่ายัางไงไม่รู้จะพูดยังไงขางนี้มันขอนอยู่ในใจของคุณคุณต้องรู้เองคุณจะโกรธแล้วไม่โกรธคุณต้องรู้ว่าโกรธเขาหรือเปล่าเป็นทุกข์มากลูกอายุสามสิบเป็นโรคผิวหนังหมอบอกในไทยมีคนเป็นน้อยมากหนูเป็นทุกข์มากเวลาเห็นลูกขึ้นเม็ดพยายามฟังพระอาจารย์ทุกวันพอออกจากฟังพระอาจารย์หนูก็ทุกต่อต้องทําวิธีไหนครับขอพระอาจารย์ชี้แนะครับ เพราะความอยากของเราอยากให้โลกเป็นปกติเหมือนคนอื่นไม่อยากให้โลกเป็นโลกพิวน้ำอันนี้เป็นทําให้ใจเราทุกข์่วลาเราพิจารณาว่านั่งกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้เวลามันจะเป็นโลกอะไรมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ถ้าเรายอมรับว่าเรห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้ลูกไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้พอมันเป็ น, นั็นเลยเกิดความทุ่งใจขึ้นมานั่งสมาธิพุโทโธตลอดจิตกายหายจิตรู้ตลอดเห็นเป็นประตูใหญ่จิตรู้ให้เข้าไปเลยลืมตาขึ้นมาครับเป็นอย่างไรครับอาจารย์เป็นจิตที่ยังไม่สบงบเนี่ย ถ้าจิตสงบมันจะไม่มีอะไรให้ด้ใยเห็นเลยจะมีแต่ความว่างความเย็นความสบายรู้สึกผิดที่พาน้องไปหาหมอน้องหมานะครับแต่น้องไม่สหายสุดท้ายน้องจากไปหลังกลับบ้านได้หนึ่งวันควรวางใจอย่างไรดีและรู้สึกคิดถึงมากๆอยากจะเจออีกครั้งครับถ้าเรายอมรับคำจริงว่ า, าเป็นอ น, นิจจ์เราอยู่ในโลกของอ น, นิจจ์ความไม่แน่นอนความไม่ถาวร มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับความจริงอ น, น, น, นี้นน่นอาก็จะไม่เศร้าใจเสียใจเลี้ยงแม่แต่บางครั้งก็พูดไม่ดีกับท่านบาปไหมครับบาปการพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่โกนอย่างยิ่งควรจะพูดแต่ดีๆต้องมีสติมากๆเวลาที่เราอยู่ใกล้พ่อแม่ เวลาที่เราดูลพ่อแม่นั่นต้องเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรามารับใช้พ่อแม่ไม่ได้มาเป็นเจ้าหนายของพ่อแม่พระบินธบาทมาแล้วสั่งส่งให้แม่ค้าขายเวียนหรือไม่เอาไปฉันแต่จะมีแม่ครัววัดทำอาหารให้ใหม่ในมื้อละเพนคนที่ใส่บาตรยังได้บุญอยู่ไหมครับได้คนที่ใส่บาตรก็เขาก็เสียงเงินไปเขาก็ได้บุญของเขาไปส่วนคนที่รับปยาไปทอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไป เวลานั่งสมาธิได้กลิ่นทูปแล้วก็หายไปหมายถึงอะไรครับก็เป็นอาจจะเป็นอุ ป, ปทานของเราก็ได้หรืออาจจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะไปค้นได้ว่ามาจากที่ไหนก็ให้รู้เฉยๆไปเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิก็ให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปสนใจคิดว่าเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาไป การฟังธรรมบ่อยๆได้บุญไหมครับก็อยู่กับว่าฟังแบบไหนถ้าฟังแบบทัาพีในหม้อแกงก็ไม่ได้บุญถ้าฟังแบบลื่นจับแกงก็ได้บุญแล้วฟังอย่างไรถึงเรียกได้ว่าฟังแบบลื่นจับแกงก็ฟังด้วยสติฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายต้งนั่งเฉยๆวาจาไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดเรื่องราวต่างๆจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับกับหูและเข้าไปในใจ อันนี้ก็จะได้ประโยชน์หประการก็คือได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรม ท, ที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลําดับสามจะกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทําให้เกิดปัญญาสมาธิทิ่ความเป็นที่ถูกต้องหจะทําให้จิตสงบผ่องใสนี่คือการฟังแบบเล่นกับแกงถ้าเป็นทัพเพลงหรือม้อแกงนี้ ถ้าเพียในหมอแกงนานเท่าไหร่ถ้าเพียนก็ไม่รู้เป็นแกงอะไรแต่ถ้าเลจบแกงนี่ยังแต่มีรอดชง ม, มีมีแกงเพ็ดหยดเดียวตาเขาเล่นเ่นกันจะรู้ทันทีว่าเป็นแกงเผ็ดหรือแกงจืดถ้าลูกอคติต่อพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่อโหสิกรรมให้ลูกแล้วเขาจะบาปไหมครับบาปก็ยังบาปอยู่การกระทาบาปเป็นเรื่องของเขา แต่เราไม่ไปจองเว้ครัเราไม่สร้างบาปกับของเขาเท่า น, นเองเราให้อภัยเขาถ้าผู้ใหญ่ทำไม่ถูกเราหมดความเคารพผิดไหมครับก็แล้วแต่เราเราจะเคารพหรไปกเารพมันเรื่มมอง ข, ของเราถ้าเราเห็นเด็กกำลังจะจมน้ำตายเราเห็นพร้อมช่วยได้แน่นอนแต่เราไม่ช่วยบาปไหมครับก็ไม่มีความเมตตาท่านเอง ไม่บาปเรไม่ไล้ไปกด้ให้เขาตายเราปล่อยเขาตายตามธรรมชาติของเขาอันนี้ก็ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญแต่ถ้าเราไปช่วยเขาเราก็จะได้บุญร่างกายคนเราที่มีดวงจิตอยู่ในร่างตอนมีชีวิตเปรียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งถ้าตายไปแล้วจิตก็ต้องไปหาบ้านหลังใหม่ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้อง ถ้าเราเต็มใจช่วยซักผ้าเก็บกวาดถูบ้านล้างห้องน้ําให้ลูกลูกบาบไหมครับก็ส่งเสริมความขี้เกียจให้กับลูกความไม่มีความรับผิดชอบจะเป็นการให้ลูกที่ผิดอันที่ลูกจะเป็นเด็กขยันเด็กที่มีความรับผิดชอบกลายเป็นเด็กที่ไม่ไม่มีความขยันเป็นเด็กที่ไร้ความรับผิดชอบเอาไปจะไปอยู่กับใครก็จะยากลำบาก เกี่ยวกับการทําบุญงานบวชครับการที่เราระบุว่าเงินทําบุญนี้สําหรับการซื้อผ้าไตรจีวรและอัฐบริขารกับการร่วมทําบุญงานบวชได้บุญเหมือนกันไหมครับคือทําบุญแบบนั้นมันก็ได้บุญเช่นเดนเราจะเราจะระบุน้ำไปก็ได้แล้วแต่เราผิดปรัเบณีศีลข้อสามผิดบาปไปเต็มๆลงนรกขุมไหนครับนานไหมครับ ที่ว่าจะเป็นเป็นสัตว์ในราชฉานมากกว่าเพราะนี่เป็นพฤติกรรมของสัตว์ในราชฉานก็ทํากันเขาจะไม่มีคู่ครองเป็นเป็นจิตจารลักษณะเวลาเขาเกิดก้าวหนุ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ใครอยู่ใกล้เขาเขาก็ถือเอา่าคนนั้นมาเป็นคู่ของเขาทันทีก็มือนกับลักษณะของคนหนุ่มสาวสมัยนี้ที่ไปเที่ยวตามวาตามผับกันนอันนี้ก็เป็เหมือนสัตว์ในราชฉานไปเที่ยวเหมือนเหมือนชุนนักเดินเก้าวเห็นไหมถ้ามีคําพูดเวลา มันสุนมนกิดอาการตกมันขึ้นมามันก็จะไปหาหาโคู่ของมันไปปกติส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนถ้าวันหนึ่งต้องมาบวชแล้วอย่างนี้เราจะบาปไหมครับที่ไม่เลี้ยงดูท่านครับไม่บาปเราเป็นน้าแม่ได้บุญแน่ๆแต่จะอาจจะได้บุญที่ดีกว่าถ้าเราบวชแล้วเรามนุษย์รมแล้วเราทำมาไปสอนแม่ ทำให้แม่แมบรรลุทําได้ น, นี่ก็จะได้บุมากกว่าการส่งเงินไปให้แม่ใช้คนที่มีส่วนทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกคือสนับสนุนให้สามีนอกใจภรรยาอย่างนี้เป็นบาปด้วยไหมครับบาปเพราะเป็นการพูดสอนเสียดเป็นการยุยงให้คนยขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแตงแยกกันไม่ควรที่จะพูด การถวายสังฆทานมีอนิสงส์มากกว่าปาติบุคคลิภทานอย่างไรครับคือการถวายสังฆทานหมายถึงเราสนับสนุนให้กับส่วนรวมศาสนามนส่วนรวมเช่นเวลาเราสร้างกุฏิแล้วก็ถวายให้กับวัดให้พักที่ใครไม่มีที่พักมาอยู่อาศัยได้แต่ถ้าเราสร้างถวายให้กับเจ้ า, าอาวาสนี้ก็เป็นของเจ้ า, าอาวาสรงเดียวอาลุ่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการส่งเคาะคนคนเดียวหรือเราต้องการส่งเคราะภาพหลายรูปด้วยกันเพราะศาสนาเราอยู่ได้เพราะว่ามีภาพหลายรูปมาบูดแต่ถ้าภาพมาบูดแลไม่มีกุติอยู่ท่านก็า จ, จะต้องลาสิกขาไปเพราะกุติสร้างมาเกหลังก็ให้เจ้าวาดไปหมดเจ้าว่าก็เก็บไว้ไม่ให้ใครอยู่เพราะเป็นถือว่าเป็นของท่านไปต่างกันตรงนี้ดันั้นเราทําขายของพระพุทธเจ้าถึงบอกให้ถวายเป็นสักกานไป จะน่าไปแบ่งให้กับพระรูปอื่นได้ถ้าเป็นของพระรูปใดรูปหนึ่งถ้าท่านเป็นคนตันต์ีเป็นคนทิ่มีกิเลสท่านก็าจะหวงแล้ว ไ, ไ, ไม่อยากให้คนอื่นมาใช้ของท่านก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้พบคุณแม่ที่จากไปและขอให้เราได้เป็นกัลยาณมิตรกันขอให้เราได้พบเจอกันอีกครั้งได้ไหมครับขอหน้าแต่จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ ตัตจการเพ่งมองพระพุทธรูปพร้อมกับคําบริกรรมโดยที่ไม่ได้หลับตาเพื่อฝึกสติให้จิตสงบได้ไหมครับก็ได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่จิตไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากให้สงบเต็มที่ต้องปิดตาคำ บ, บริกรรมนึกถึงรูปพระพุทธรูปอย่างนี้ก็มีโอกาสทําให้จิตรวมเป็นสมาธิได้แต่ต้องปิดตาเพราะาถ้ายังไม่ปิดตา ลูกที่มันอยู่ในค้างอยู่ในในตาอนี้มันจะทำให้ใจมาขวางความควา ม, ความสงบของใจได้ถ้าใส่บาตรแต่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยจะเป็นยังไงครับก็ได้บุญจากการใส่บาตรแต่ไม่ได้บุญจากการเลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ได้ความกตันอยู่กับในเวทีทางศาสนานี่ท่านมักจะสอนกันว่าให้ทำบุญกับพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยไปทำบุญกับพระทีหลัง ดูแลพาในบ้านก่อนแล้วค่อยไปดูแลพานอกบ้านต่อไปเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่ของเราถ้าเราไม่ดูแลก็เท่ากับเราปล่อยประละเลยหน้าที่ที่สำคัญนี้ไปบุญที่ยิงใหญ่เราก็จะไม่ได้บุญที่เกิดจากการใส่บาตรพระนี้จะไม่เท่ากับบุญที่เราเลี้ยงดพ่อแม่ของเรา เวลาที่เราใส่บาตรพระอาจารย์สุชาติตอนเช้าแบบนี้เป็นปาติบุคลิกทานใช่ไหมครับคือเป็นที่รู้โดยทั่วไปว่าเป็นการใส่บาตรคือถวายเจาะจงใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าพระที่รับไปนะั้นท่านจะไปทำอย่างไรถ้าท่านเก็บไว้เป็นของท่านาก็เป็นเป็นของบุคคลิข์ไปแต่ถ้านาเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้กับชนรวมก็ถือว่าเป็นสังฆทานแไปอยู่ที่อยู่ที่การปฏิบัติต่ออาหารต่อของที่ได้รับว่าจะเอาไปทําอย่างไร ถ้เาเก็บไว้ใช้คนไดียก็เป็นหนูขันตทานแต่ถ้าเอาไปแากจ่ายแบ่งปันให้กับพระลูกอื่นหรือหรือลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยทํางานก็ถือว่าเป็นการทําสังฆทานไปฝันเห็นบุปการีที่เสียชีวิตบ่อยๆแสดงว่าเขายังมีห่วงใช่ไหมครับไม่เราต่างหากที่มีห่วงต้องคิดถึงเกามากกว่าเราถึงฝันถึงเกา สงสัยในข้อธรรมครับข้อที่หนึ่งผมถนัดตามลมหายใจเข้าพุธออกโทแล้วลมหายใจมันแผ่วเบาเข้าสู่สมาธิได้ไวผมควรจะปริกรรมพุทโทไม่ยึดลมหายใจเข้าออกไหมครับไม่จําเป็นนะถ้าถนัดแบบนั้นก็ทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ก็ใช้แบบนั้นไปข้อสองครับเวลารวมจิตให้เป็นสมาธิผมกําหนดรู้ลมผ่านเข้าออกตรงจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกลิ้นปี่สะดือ ผมกำหนดรู้ที่ปลายจมูกอันนี้คือรวมจิตใช่ไหมครับถ้าจิตสงบก็เป็นการรวมจิตนะข้อที่สามครับเวลาผมทางานหรือใช้ชีวิตแต่ละวันผมจะรู้ลมหายใจตลอดหายใจเบาๆรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกแบบนี้ผมจะเข้าใจว่าเป็นสมาธิได้ไหมครับเป็นการจารินสติยังไม่ถ้าสมาธิจิตต้องนิ่งสงบไม่มีความคิดตุงแต่งไม่มีการรับรู้สิ่งต่างๆภายนอก การทำบุญห้าบาทสิบบาทกับการทำบุญเป็นร้อยเป็นพันได้บุญเท่ากันไหมครับคือบุญนีนวัดอยู่ที่ทรัพย์สินของแต่ละบุคคลที่ทำไปว่าเราบริจากสัดส่วนของทรัพย์สินที่รามาอยู่มากน้อยเท่าไหร่เช่นถ้าเรามีร้านหนึ่งถ้าเราบริจากร้อยละสิบเราก็ต้องทำแสนหนึ่งแต่ถ้าเรามีแสนหนึ่งแล้วเราบริจากร้อยละสิบแล้วก็ทำหมื่นหนึ่งคนก็ได้บุญเท่ากัน ในบาลีบาเงินไม่เท่ากันเพราะความรู้สึกเหมือนกันเพราะได้ใบจากทรัพย์ไปน้อยกว่าสิบเท่ากันแนวทางลดอัตราเพื่อไปสู่อนัตตาอย่างไรครับก็ทําทตัวเราให้ต่ําต้อยอย่าไปถือตัวถือตนทําตัวเราให้เราเป็นแบบบุคคลที่ไม่มีตัวตนเช่นเป็นคนรับใช้เนี่ย คนเร่ใช้สัญญาจะไม่มีไม่เหนแก็ไม่ดูแลเขาว่าเขามีตัวมีตัวเราก็ทำตัวเป็นแจว๋วเลือทำตัวเป็นภาคีวิวตัวที่ไม่มีคุณค่าราคาถ้าถูกใส่ร้ายถูกนินทาจากพี่สาวตัวเองให้คนอื่นเข้าใจเราผิดเราควรจะทำอย่างไรครับก็ถ้าเราห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องทำใจเฉยๆไปถ้าเราห้ามได้พูดก่เขาได้ขาน้ อ, อเขาอะไรพูดไป สมณะสมณะยานันจทัสนังการเล น, นะธรรมะสาาาักฉาการได้เห็นสมณะพราหมผู้ทรงศีลทั้งหลายการได้เจราจาสนทานธรรมตามการเวลาอันควรเป็นมงคลในที่นี้การได้เห็นหรือได้สดนทานทางออนไลน์อย่างที่พวกเราได้สนทนากันอยู่ตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าต้องเป็นการได้เห็นสนทนา ด, ด้วยองค์ท่านจริงๆถึงจะเป็นมงคลกันสูงสุ ด, สดครับครับตัวสำคัญก็คือธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฟังจากท่าน ถ้ายนได้ฟังธรรมแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจคําว่ามงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจนั่นเองเมื่อเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราสามารถนําเราทำนั้นไปปฏิบัติมันก็จะทำให้ใจจิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่านเป็ น, ปนมงคลมั น, นจะในรูปแบบไหนก็ได้สมัยนี้จะดู ทางออนไลน์ก็ได้หรือไปพบปะกับตัวจริงอะไรก็ได้เพราะมันผลก็เท่ากันเาะได้ยินได้ฟังทำเหมือนกันหนูกลัวตายเพราะยังทำความดีไม่มากพอแบบนี้เรียกว่าหลงบุญไหมครับเพราะเคยทำไม่ดีแต่ตั้งใจจะทำความดีครับไม่หรอกถ้าเราว่าเราทำไม่พอก็รีบทำเสียตอนนี้เรายังไม่ชีวิตอยู่เรายังทำได้รีดทำเสีย ระหว่างผลบุญกับบาปตายแล้วเราจะต้องรับผลไหนก่อนบุญและบาปไม่สามารถถักล้างกันได้ใช่ไหมครับแล้วแต่อันไหนมากกว่ากันเนี่ถ้าบาปมากกว่าบาปก็จะส่งผลก่อนถ้าบุญมากกว่าบุญก็จะส่งผลก่อนหลานสาวจากไปเกือบสองเดือนพ่อแม่ย่า ย, ยายคิดถึงโหยหามากแต่ไม่ฝันถึงเลยครับจะทํำอะไรครับ ก็รับรู้แปลว่ามันไม่ฟันเองก็ทําอะไรไม่ได้หนาะแมวมาคลอดลูกบริเวณบ้านเราเราเอาไปวางที่อื่นเพราะเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วมีหลายตัวแล้วบาปไหมครับไม่บาปแต่ไม่มีความเมตตาไม่ได้บุนเรากรเกษียณและอยู่บ้านฟังธรรมฟังธรรมถ่ายทอดสดพอญาติพี่น้องชวนไปไหนเราไม่สะดวกพี่น้องจะคิดว่าเราไม่เอาญาตดไหมครับ ก็ต้องถามมาดูเลยถ้าทําบุญกับพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่ค่อยดีเราได้บุญไหมครับพราะคิดว่าทําบุญกับสาวกของพระพุทธเจ้าครับเออส่วนที่เราทําเราก็ได้บุญแต่ส่วนที่เราทํากับพระที่ไม่ดีเราก็ไปสนับสนุนให้ท่านทําผ่านไม่ดีนั่นก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าการทําบุญนี้ต้องรู้จักทำของใครถึงจะบอกคือบุญทำได้ วราทากับภาค ด, ดี้แล้วภาคดีเราก็ได้บุญแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี่มันต่างกันเพราะว่าถ้าเราทําบุญกับพระดีพระดีก็ยังไปทําประโยชน์ได้มากกับาภาคนี่ไม่ดีทํากับภา่ดีถ้านอาจจะไปทําความเสียหายให้กับศาสนาได้มันต้องแยกสองสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือการเสียสละแบ่งปันเงินทองของเราให้กับบุคคลได้บุคคลอย่างนี่มันเป็นบุญเหมือนกัน ไมว่าจะทําบุญกับคนดีหรือคนไม่ดีเราก็ได้บุญเหมือนกันแต่ผลที่คนคนที่รับจากการทําบุญของเรานี่เขาจะไปทําอะไรต่อนี่ก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าก็มีคนดีเขาก็จะไปทําความดีต่อถ้าก็เป็นคนไม่ดีเขาก็จะไปทําความไม่ดีต่ออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่และลูกหลานได้ไหมครับ ได้ทั้งนั้นนะแต่อยากอุทิตถ้าเข้ามารอรับหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่มากกว่าถ้าเขาไม่รอรับอุทิตไปก็มันก็เขาเขาไม่รับอยู่ดีจะขจัดความรักโลภโกรธลงได้เริ่มต้นอย่างไรครับเริ่มต้นในการทําบุญเนี่ยทําบุญเราก็จะละความโลภได้เพราะแทนที่เราโลภอยากจะได้เงินมากๆเราครับถ้าได้เงินมากเราก็จะเอาไปทําบุญได้หมด เราต้องรักเก็บไว้พอสมควรเท่าที่เราใช้ได้ก็พออันนี้ก็รักความโลภทางด้านทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติที่เกินความจำเป็นไปถ้าเราไม่ทําเราก็ยจะเกิดความโลภอยากสะส ม, มเงินทองให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะโลภมากเราไม่ต้องการจะร่ารวยเราต้องการพออยู่พอกินไปถ้ามีมากกว่านั้นเราก็จะเอาไปบริจาคเอาไปทําบุญ อันนี้เป็นการละความโลภลงไปรักษาศีลก็ตัดความโลภให้น้อยลงไปตัดความโกรธให้น้อยลงไปได้ไปฝึกสตินั่งสมาธิก็เยจนหยุดความโลภความโกรธได้นนแต่เราเราจะทําอย่างไรได้มากน้อยเพียงใดเราก็ทําไปตามกําลังของเราคนพุทธเอาผ้าเหลืองมาเล่นตลกมาทําท่าทางตลกตลกทํำคอนเทนต์หาเงิน คนพวกนี้บาปไหมครับอันนี้ก็ถ้าเ็าไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ไปทำความเสียหายให้กับใครก็ไม่บาปถ้าทำความเสียหายให้ก็ก็บาปขอสอบถามพระอาจารย์ครับกวดน้ำที่ถูกต้องใช้คำอะไรถึงจะถูกครับใช้คำที่เราคิดได้ในใจนี่นะ เช่นขออุทิศบุญนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ที่รองรับไปแล้วก็จบก็ใช้ได้นะผมทำอานาปานาสติอยู่กับพุทโทธช่วงหลังๆมานิธรรมแล้วสงบแต่มีสภาวะที่ลมหายใจมันหายมันจะหายไปติดอยู่จุดนี้ไม่กล้าก้าวผ่านครับทำอย่างไรดีครับก็ภาวนาต่อไปอยู่พุทโทธไปลมนีไม่ ม, ม, มีก็ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวท่นเอง ตรวจพระมหาจากกักรพรรดิแล้วจะมีผีมาฟังด้วยจริงไหมครับไม่รู้ฝึกอย่างไรถึงจะได้อภิน ญ, ญาครับอันนี้ไม่มีใครรู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่มีใครสอนมันเป็นของที่อาจจะได้ฝึกมาแล้วในอดีตชาติสมัยนี้ไม่มีใครสอนวิธีแต่ให้เกิดอภิน ญ, ญาหรือมีก็ไม่ทราบนะบางสายก็อาจจะสอนให้ ใช่มมโนยิทธิอะไรนี้ระหว่าที่ฝึกไปแล้วจะทําให้เกิดมีมีพลังจิตในอภิน ญ, ญาขึ้นมาอันนี้เราสายวิปัสสนาสายกรรมฐ า, านนี่ก็จะไ็นสนใจในเรื่องอภินญาสนใจในเรื่องมรรคผลนิพพานก็ลเลยไม่ทำมาสนทางด้านอภินญาเมื่อสูญเสียแล้วรู้สึกใจสั่นแล้วรู้ทันว่ามีทุกข์ คิดได้ว่าความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่ามีสติไหมครับก็อยู่ที่ดับความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าหยุดความทุกข์ได้ก็มีสติถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ยังแสดงว่าสติยังไม่มีกําลังพอลูกส่งเงินให้เราใช้ทุกเดือนแต่เราแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้วัดลูกเราได้บุญด้วยไหมครับลูกเราได้บุญตอนที่เขาให้เล้วตบเราแนละ้วส่วนเงินที่เราได้จากเขาเราไปทําบุญนี้เป็นของเราลูกไม่ได้บุญ ก่อนนั่งสมาธิควรตั้งจิตยังไงครับตั้งสติให้มีสติให้อยู่กับพุทโธหรือยู่กับลหมหายใจก่อนตอนที่จะมานั่งฝึกสติไว้ก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนอย่ามาอย่ามาตั้งสติตอนที่เราเริ่มนั่งเพราะว่ามันจะไม่มีกำลังพอที่จะทำใจให้สงบได้ ร่วมทำบุญแล้วขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีบุญที่ทําจะลดน้อยลงหรือไม่ครับลด น, น้อยลงเพราะเราเงินคืนมาเราให้คนอื่นทำแทนเราเราให้รัฐบาลทําแทนเราทุกวันพระถ้าเราไม่ได้ซื้อดอกไม้มาถวายพระเราไหว้เฉยๆได้ไหมครับแล้วเวลาไหว้พระเราต้องสวดอะไรบ้างครับได้จะสวดอะไรก็ได้สวดพุดทโธธรรมโมสามโคมก็ได้ ส่วนอนาลางสามาไปก็ได้แล้วแต่เราอยากจะส่วนอะไรก็ส่วนได้คนที่ติดเงินเราเขาตายไปแล้วเขายังไม่ใช้เงินเราคืนแสดงว่าเราเคยติดเงินเขามาใช่ไหมครับก็ไม่เช่นนั้นก็ได้แต่จะรู้ไม่รูไม่รู้รต้องมีมีงานอย่างทราบเท่านั้ถึงจะรู้ได้อย่างชาัดเจนเลี้ยงวัวขายบาปไหมครับถ้าไม่เราไปข่าก็ยังไม่บาป การไปช่วยทำความสะอาดวัดได้บุญมากไหมครับก็เป็นการรับใช้บุญที่รับใช้ทู้่ก็ได้บุญอย่างหนึ่งเหมือนกันบนว่าจะบวชพระหนึ่งเดือนให้แม่บ้านเพื่อและกำลังจะบวชให้ภายในเดือนนี้แต่เลิกลากันไปแล้วบวชหรือไม่บวช ด, ดีครับอาจารย์ถ้าเรามีศจจรัทธาแล้วเราทบตามที่เราตั้งใจไว้ที่เราที่ฐานไว้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนโกหกหรอ ก, กครับเบื่อหน่ายที่อะไรอะไรก็ไม่ได้อย่างใจอยากจะละทิ้งทุกสิ่งทางโลกไปบวชแต่มีหนี้สินอยู่จะวางใจอย่างไรดีครับเราใช้หนี้สินให้หมดก่อนนะถ้าเขาจะฆ่าพ่อแม่เราเราใช้สิบป้องกันตัวสวนกลับทันทีเป็นบาปหนักไหมครับก็บาปมันร้ายขนาด มันก็จะไม่ไม่หนักเท่ากับเราเราฆ่าพ่อแม่ของเราเองมันมันมีมันีควาหนักบานี้อยู่ที่โทษวที่คุณของผู้ที่เราไปฆ่าคนที่เขามีบุญคุณกับเรามากเราไปฆ่าเขาก็บาปหนักแอคนที่ไม่มีบุญคุณไม่ค่อยนั่งสมาธิเงียบๆมักเปิดฟังเทศไปด้วยแบบนี้ผิดไหมครับ ไม่ผิดหรอกแต่แล้วจิตเรายังไม่มีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิได้มีสติพอที่จะฟังเทศได้ก็ฟังไปก่อนฝึกสติไปก่อนถ้ายัางยากนั่งสมาธิได้ต้องฝึกสติทั้งวันไปก่อนท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆฝึกนั่งสมาธิแต่ไม่นิ่งฟุ้งมากเลยจะขมใจอย่างไรครับก็ต้องฝึกสตใิให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งฝึกสติไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืน ยัเว้นเวลาไหนจิตตั้งมั่นจะทําแบบไหนครับกนมีมีสติจิตก็จะทั้งตั้งมั่นฝึกให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่องนี้ต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นจะวางเฉยได้จะเล่งเฉยได้มีความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกังวลครับก็ต้อ ง, งหยุดมันก่อนด้วยการฝึกสติพุโทโธพุโทโธไป พอมีกับพุทโธพุทโธความกังวลก็จะหายไปแล้วพอเร า, ามีกําลังที่จะสอนใจก็สอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเนินหน้ามุมไฟที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะไม่กังวลไม่วิตกแล้วเราก็รู้ว่าละห้าหมันไม่ได้เราก็ยอมรับความจริงพอเรายอมยอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์ ในบางครั้งผมพยายามทำใจให้เป็นกลางกับโลกโซเชียลมีเดียในยุคสมัยนี้เราจะเป็นคนไร้จิตใจหรือมองว่าเราว่าเป็นคนเย็นชาเกินไปไหมครับไม่หรอกเพราะว่าเราก็ยังมีความเมตตากโกุนาอยู่เพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช้อารมณ์กับสิ่งต่างๆนั่นเงเพราะาอารมณ์นี้เป็นของที่เป็นพินเป็นไทยทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นแต่เราจะใช้ความเมตตาแทนถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องมีปฏิกิริยากับใคร เราก็ใช้ความเมตตากรุณามุญตาไปถ้าเราไม่สามารถใช้ความเมตตากรุณามุญตาได้เราก็ใช้ลุไปค้าไปไปถือศีลกลับมานั่งสมาธิแล้วนิมิตเห็นพี่ชายที่เสียไปแล้วแล้วคนแปลกหน้าผู้ชายหน้าโบราณโบราณครับก็ให้พิจารณาเป็นตายรับไปเป็นสลาทำให้เกิดขึ้นตั้งยูงื่อหดับไปเราไม่ได้ไป ควคุมังคับป็นได้มันจะมาก็ปัน่นมันมามันจะไปก็ปัน่นมันไปเขาถามต่อว่าถ้าเห็นแบบนี้ถือเขาได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศบุญไปให้ใช่ไหมครับต้องถามคนนึงนหากต้องการทําบุญตอนเช้าเราใช้วิธีนั่งสมาธิสวดนมนต์แทนการใส่บาตรจะสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้หรือไม่ครับมันเป็นบุญตัวอย่างกันเนี่ย มันก็บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิส่วนมนในบางทีมันยังไม่เกิดผลบุญยังไม่เกิดนะบุญที่เกิดจากการใส่บาตรนี่เกิดเกิดทันทีหลังจากที่เราใส่บาตรแล้วเห็นถ้าเราอยากจะอุทิศบุญอย่างอย่างแน่นอนก็ให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญใส่บาตรแทนการนั่งสมาธิในการสวดมนต์ เป็นหวัดคัดจมูกดูลมหายใจยากลืมสติลืมตัวต้องทำอย่างไรครับใช่คำ บ, บริกรรมแทนพุโทโธพุโทโธไป <c oughs> วินาทีก่อนเราจะตายจิตสุดท้ายเป็นเหตุนำพาให้เราไปสู่ภพภูมิต่างๆจริงหรือไม่ครับแม้ว่าเราคิดดีสะสมความดีเรื่อยมาแต่ถ้าจิตสุดท้ายไปเผลอคลิดสิ่งไม่ดีจะทำให้ตกอบอายหรือไม่ครับไม่จริงหรอกจิตสุดท้าย <c oughs> มันก็จะทาให้จิตเรา ทุกล้วไม่ทุกเธอต่อที่ตายแต่การจะไปอบายจะไปสุคตินี้อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้คุณแม่ไม่ชอบสวดมนต์ไหว้พระทําบุญเราเป็นลูกสามารถจะทําอะไรได้บ้างครับก็ อ, อุบายพาแม่ไปวัดชวนแม่ไปวัดเป็นเป็นเพื่อแล้วก็ไปทําบุญนะ้ำมากาจะได้นอนทาบุญกับเราได้ ถ้าเราจเจริญสติอย่างเดียวไม่นั่งสมาธิเลยได้ไหมครับถ้าได้สติแต่ไม่นั่งสมาธิก็ได้ครึ่งเดียวในความสงบครึ่งเดียวไม่ได้เต็มร้อยถ้าอยากได้ความสงบเต็มร้อยก็ต้องนั่งสมาธิเราโสดในขณะมีชีวิตอยู่ทําบุญถ้าตายแล้วไม่จัดงานศพเป็นไรไหมครับไม่เป็นหรอกงานศพจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ การเป็นถามครับร่างกายเจ็บบ้างครั้งทนความเจ็บปวดแทบไม่ไหวนอนภาวนาผมขนเล็บฟันหนังอยู่ในอยู่มีความรู้สึกปวดแล้วยุบบวมแล้วยุบอาการแบบนี้ใช่ธรรมะหรือเปล่าครับแต่ความเจ็บปวดหายไปครับอาการของีิเลยมันก็ความทรมานใจใจไม่สงบแต่ถ้าเราบริกรรมไปได้นานๆพอใจสมองก็จะเป็นธรรมะขึ้นมา ถือศีรแปดใช้โลออนทารักแร้ได้ไหมครับถ้าเป็นการรักษาลำกายกันได้แต่ถ้าเป็นการ เ, าเสรมสวยความงามก็ไม่ควรคนรจะไปทำน้ำอาบเท้านก็่าใช้น้ำเช็นดีกว่าชะร่างกายได้อยู่การชำระร่างกายได้อยู่แต่การใช้กลิ่นหอมมาก็กิ่นเหม็นนีไม่ทราบว่าควรไหมในทางปฏิบัติเพราะมันสกมัยกุศลการไม่มี ถ้าลากไล่เรามันเหม็นก็นเาก็เอาน้ำมาภาพมาชุดมันเช็ดมันออกไปก็ทําทได้อย่างนี้แต่ถ้ายาของหอมมาใช้เนี่ยไม่ทราบว่าควรก็ไม่ควรจะผิดก็ไม่ไม่แน่ใจครับถ้าอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ภาษาบาลีเราจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับไมีเราฟังได้เนะนี่ยนจจะไม่ต้องอ่านครูบาอาจารย์บางคนไม่ได้เป็นหนังสือ เวลาจะบวชนี่ต้องหัดเท่องจําให้เขาสอนให้ท่าจําว่าให้กล่าวคาบวชอย่างไรแล้วก็เอามาเท่าอามาจำเลยถ้าเราดูแลพ่อแม่แล้วมีปากเสียงกับท่านแต่เราก็รู้ว่าผิดบาปแล้วน้องที่ไม่ได้หยุดดูแลเขาก็ไม่บาปเลยใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ดูแลแต่เขาไม่ได้บุญเราได้บุญด้วยถ้าเราถ้าเราทํำผิดเราก็ไปขอขรรมาท่านกราบท่านขอโทษท่าน ผู้รู้เห็นอารมณ์เห็นความคิดมันเกิดแล้วดับเราเป็นคนดูต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ดูเฉยๆไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปดีใจเสียใ จ, ใจใกับการเกิดการดับของของต่งางๆใส่บาทพระสี่องค์ถึงจะได้เท่ากับการทาสังฆทานหนึ่งครั้งจริงไหมครับอันนี้เป็นการแปลความหมายว่า ส, สังขะคำว่างสงฆ์นี่มันมีอยู่2ความหมายด้วยกัน คือถ้ามีาพระสี่รูปขึ้นไปเราก็ไรียกวสงแต่ถ้าวัดมียี่สิบรูปเนี่ยมาทำให้แค่สีกก่รูปก็ถือไม่ครบองศ์เพราะองศ์ในวัดมียี่สิบรูปด้วยกันแต่ก็ถือตามหลักคําของคํานิยามว่าสงศสงศ์คืออย่างน้อยต้องมีพระสี่รูปอยู่ร่วมกันอย่างนีเรียกว่าเป็นครบองศ์ถ้าน้อยกว่าก็จะไม่เป็นองศ์แต่ถ้าเกิดไป ท, ทาําบุญกับวัดที่มีพระยี่สิบรูปแล้วเราไปนิมนต์มาแค่สี่รูป เราก็ยังไม่ได้ทบครบองสองเราต้องถวายแบบว่าให้พระไปจัดการแ บ, บ่งกันในยี่สิบรูปบอกเป็นของวัดไปของพระทักรูปที่อยู่ในวนัดถึงจะเป็นสังฆทานที่แท้จริงมีเพื่อนบ้านมักจะพูดใส่ร้ายส่อเสียดคนในบ้านเราให้เสียหายเราควรทำอย่างไรครับถ้ า, าคุยกับเขาได้ก็คุยกันดีๆทำความเข้าใจกัน ถ้าเขาเลือกได้กนดีไปถ้าเขาไม่เลือกก็ต้องทำใจห้ามเขาไม่ได้การเจริญสติแต่ยังไม่ถึงขั้นได้สมาธิจะได้บุญไหมครับยังไม่ได้บุญมันที่เกิดจากความสงบเพียงไม่เกิดผู้ชายบวชเพื่อปฏิบัติเป็นเส้นทางพระอริยะ ส่วนผู้หญิงควรบวชแบบไหนครับปัจจุบันมีแม่ชีและภิกษุณีครับก็บวชได้ทั้งสองแบบจะบวชแบบไหนก็ได้ครับการบวชนี้เป็นการทําให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากเท่นั้นเองแต่ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้บวชอยู่ดีมันไม่ได้อยู่ที่การบวชก็ไม่บวชคนที่แม่บวชแต่ไมีเวลาให้กับการปฏิบัติก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน การเดินทางสายกลางต้องทำอย่างไรครับก็ปฏิบัติตามชี่พระเจ้าทรงสอนทางศีลภาวนา น, นี่ก็คือทางสายกลางวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องก็คือการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนานี่ว่าทางสายกลางผมให้เช็คพ่อเป็นของขวัญวันเกิดโดยระบุสั่งจ่ายขึ้นวิทยุเสียงธรรมหลวงตาบับวหวังให้พ่อได้ทาบุญ ถวายในนามของพ่อเพื่อให้พ่อได้รับการประกาศชื่อให้พ่อรู้สึกยินดีและมีความสุขใครได้บุญบ้างครับพ่อไม่ได้บุญเลยเพราะหนึ่งไม่ใช่เงินของพ่อเป็นเงินของเราแล้วก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีเจตนาที่จะไปทําบุญเราเป็นเหมือนใช้พ่อเป็นหุนเชิดในการทําบุญนั่นเองถ้าอยากใช้ให้พ่อได้บุญเราต้องให้เงินกับพ่อไปแล้วก็แต่พ่อว่าพ่อจะไปทําบุญอย่างไรอันนั้นพ่อถึงจะได้บุญ การภาวนาบท ย, ยาวๆไว้ในใจได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าจิตสงบแล้วไม่สงบถ้าสงบก็ได้บุญถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญชีวิตของคนเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้าใหม่ครับหรือเวลาเจอปัญหาค่อยคิดแก้ไปเรื่อยครับก็ควรจะคิดวางแผนไว้นั่นจะดีกว่าเพราะเราจะได้กาหนดทิศทางของเราได้ถ้าเราไม่วางแผนบ่ให้ป็นแต่เหตุการณ์มา ให้เราคอยแก้ไปเรื่อยเรื่อยเราก็อาจจะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีได้เช่นถ้าเราอยากไปนิพพานเราก็ต้องวางแผนวันทำไงถึงจะไปนิพพานได้เราต้องทําทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็ดําเนินตามแผนนั้นไปเราก็ยังไปถึงนิพพานได้แต่ถ้าเราไม่ทำหมากแผนเราไม่รู้ว่าจะไปไหนปล่อยให้เหตุการณ์พาไปวัานไหนมีโอกาสทําบุญก็ทําไปวันไหนมีโอกาสทำหมากก็ทําไป อันนี้มีโอกาสนั่งสมาธิก็นั่งไปอันนี้ก็มันก็อาจจะไปถึงบ้ากหไม่ถึงบ้าง ก, ก็ได้ถ้าพ่อชอบขโมยเราเป็นลูกพยายามพูดธรรมะให้แกบางทีแกโกรธเรารู้แต่สุดท้ายแกเชื่อเราเราบาปไหมครับถ้าเชื่อก็ไม่บาปเพราะว่าเป็นบุญให้ธรรมะครับท่าน ถ้าให้ตังแม่แล้วบอกแม่ว่าเงินอีกส่วนให้แม่ไปทําบุญทุกวันพระตักบาทค่าน้ําค่าไฟวัดเราได้บุญในส่วนที่เราบอกแม่ไปตักบาทไหมครับใช่แต่แม่ไม่ได้บุญเพราะแม่หนักใช้แม่ให้ทําบุญแทนเราถ้าอย้ให้แม่ได้บุญเราต้องแม่บอกแม่แม่นักบอกว่าเป็นเงี้ยให้ไปทําอะไรให้เป็นการตัดสินใจของท่านเองคือว่าให้ท่านเราก็ได้บุญแล้ว ท่านจะได้บุญหรือม่อยู่ที่ตัวของท่านจะคิดว่าอยากจะเอาไปใช้กับการทําบุญหรือไม่ถ้าท่านคิดว่าจะเอาไปใช้กับการทําบุญท่านก็จะได้บุญแต่ท่านบอกว่าจะเก็บว่าเอาไปเที่ยวหรือเอาไปซื้อของอย่างเงื่นท่านก็จะไม่ได้บุญไม่มีญาติพี่น้องตัวคนเดียวตายไปไม่มีคนทําบุญห้าีใช่ไหมครับก็ไม่จาเป็นเราทำเองก็ได้เราทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราทำบุญแล้วเราก็ไม่ต้องร้องไห้คนสมบุญไปให้เราเจ้านายให้แบ่งเงินกระถินไปทําบุญวัดอื่นบาปไหมครับถ้าเป็นเงินที่ของเจ้านายเจ้านายจะสั่งให้เอ า, าไปทําบุญที่ไหนก็ได้เป็นเป็นถ้าเป็นเงินของเจ้าเจ้านายถ้าเป็นเงินของคนอื่นก็ต้องไปขออนุ ญ, ญาตเจ้าของกก่อน เมื่อก่อนเคยทำบาปผิดศีลตอนนี้กลับมาทำบุญถือศีลห้ากลัวการทำบาปจะช่วยให้บาปน้อยลงไหมครับบาปใหม่ก็จะน้อยลงแต่บาปเก่าก็ยังเท่าเดิมอยู่เสียชีวิตในห้องไอซีูวิญญาณผู้เสียชีวิตยังอยู่อยู่ที่ไหนครับไม่ได้อยู่ในร่างกายแนละ้ว วิญญาณเขาจริงวิญญาณไม่เคยอยู่ในร่างกายเลยวิญญาณเปนเหมือนส่งกระแส ม, กะสะมากาะติดกับร่างกายแต่ละหนึ่งพอร่างกายตายไปกระแสะที่วิญญาณสมงมาก็จะขดเข้าไปหาใจใจอยู่ในโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิศส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกรธาตุเชื่อมต่อด้วยกระแสะของวิญญาณของใจที่สมงมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายตายไปว่ากระแสะที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็จะ กลับคืนเข้าไปสู่ใจก็จะไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ, ๆที่เข้ามาทางตางของจมูกนิ้วกายของร่างกายได้อีกต่อไปถ้าเราทําบุญด้วยการโอนเงินทุกวันวันละบาทเพราะทรัพย์เรามีน้อยถือเป็นการทําบุญที่ดีไหมครับนี่ทำทุกวันได้อดีมันจะติดเป็นนิสัยแต่ม น, นุษย์มูลน้อยก็อยู่ที่ปริมาณที่เราบาิจาคไปถ้าเราทำบุญทุกวัน ปีหน่งแล้วก็ริจาคไปสามรอกสิบห้าวันหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาทำบุญวันครั้งเดียวแต่เขาบริจาคไปพันหนึงเ้าก็จะได้บุญมากกว่าเราแต่เขาอาจจะไม่ได้นิสัยติดไปกับเขานิสัยที่ชอบทําบุญทุกวันกาบเรียนถามพอาจารย์มีเงินนําไปลงทุนซื้อคอนโดให้คนเช่าเพื่อมีอไรายได้เพื่อจะได้เอิร์ี่วัยขึ้นจะได้ลาออกมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแบบนี้เป็นกิเลสไหมครับ ถ้าเป็นการหาเงินมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางธรรมมันก็มันก็ไม่เป็นกิเลสเราทําการที่จะเอาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อข่ากิเลสแต่เราก็น่ามืเครื่องมือสนับสนุนถ้าเรายัางไม่ได้บวญเราก็ต้องมีเงินทองไว้สำหรับใช้ใจ่ายสำหรับค่าเลี้ยงดูร่างกายของเราก่อนนอนตั้งสติว่านโมสามจบแล้วนอนดูลมหายใจจะทําให้มีสติบ้างไหมครับ ถ้าเราอยู่ในท่านอนมันสติมันจะมันจะมันจะหายไปง่ายถ้าเราอยู่ในท่านั่งถ้าเรายังไม่หลับเราก็ต้องนั่นอยู่ในท่านั่งนั่งสมาธิไปถ้าเรานอนสมาธิเดี๋ยวก็หลับได้เพราะมันสบายเพราะสบายสติมันก็จะค่อยๆหายไปถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานจะปฏิบัติธรรมเราต้องทำให้ได้ตามจิตอธิษฐานใช่ไหมครับ ใช่เราก็ต้องดูกำลังของเราก่อนว่าเราทำตามที่เราอธิษฐานได้ไหรืมถ้าทำตามไม่ได้เราอธิษฐานไปแล้วก็จะไม่เกิดผลแล้วเราจะกลายเป็นคนที่โกหกตัวเราเองได้นะล้วไม่กวรที่จโกหกตัวเราเองถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานจะทำแล้วเราต้องทำให้ได้ถ้าไม่เช่นน้นก็อย่าไปตั้งดีกว่า สวดมนต์ทุกวันแต่บางครั้งติดงานไม่ได้ต่อเนื่องได้บุญไหมครับคือการสวดมนต์นี่มั น, นยังไม่ได้บุญเพราะมันยังจิตมันยังไม่สงบเพียงแตไ่ได้ความเพลยนได้การเพลินจลญสติไปก่อนแต่ยังไม่ได้บุญคือความสงบที่เกิดจากการสวดรักษาศีลห้าใช้กระเป๋าหนังสัตว์ผิดไหมครับ ไม่ผิดหรอว่าถ้าเราไม่ได้เนคนไปสั่งให้เขาฆ่าสัตว์มาทำกระเป๋าให้กับเราถ้าเขาเราสั่งเขาหว่าเราทําเองนี่ถึงจะผิดถ้าเป็นของที่ตายแล้วเอามาขายในท้องตลาดเราซื้อมาอยนี้ไม่ผิดไม่บาสนกชอบพยายามมาทํารังที่แอร์แต่พยายามฉีดน้ําป้องกันที่ตู้แอร์โดยยังไม่มีนกบาบไหมครับไม่บาบถ้าไม่ไปทําร้ายเขาไม่บาบ ขอคําแนะนําแนวทางที่จะช่วยให้สุนัขให้ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนจากหลวงพ่อครับ <c oughs> เขาต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเราทาอะไรไม่ได้แล้วเป็นเรื่อของบุญของกรรมของเขาเดี๋ยวถึงเวลาก็หมดกรรมเมื่อไหรเขาก็จะกรรมรรมเัเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปตอนนี้เขาใช้กรรมไปก่อนแถวบ้านมีการบวชพระแต่เขาไม่ได้บอกเราไปทําความสะอาดสถานที่ในโบสถ์ผิดไหมครับ การทำงานสะอาดให้กับว่าก็กเป็นบุญนะไม่ผิดเราคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับสัมปัชัญญะคืออะไรครับฝึกอย่างไรครับคือการมีสติอย่างตอเ น, นี้เราเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชั ญ, ญะแปลว่า ส, ญญ ต, าสติของเราไม่ไม่พลั้งเผอมีความ ร, รู้อยู่ตลอดเวลาเช่นรู้อยู่กับพุโทโธไปทั้งวันนี้เรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะ ถ้าเรารู้แค่วรับสองรับแล้วก็ไปคิดดนี้แสดงว่ายังไม่ยังไม่เป็นสัมปชัญญะโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซเจ็ดร้อยในยูเจ็ดร้อยสองครับเจ็ดในติกต่อห9 9้อยเก้าสบเก้านะครับวันนี้มีคนฟังทาอยู่ด้วยกันทั้งหมด2 1 0พหนึ่งรอยกับแดท่านนะครับอ่านคำถามแรกเวลา2ี่สิบนากาเจนาทีครับวันนี้อาจารย์ตอบไปหนึ่ง้ยห้าิบี่คำถามนะครับ วันนี้คำถามเยอะนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามานั่งสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการปฏิบัติให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนํามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพือความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิร์สาธุกขอราคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุจากช่องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ